50 languages. 33. ที่สถานีรถไฟ Railway Niladana l รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Berlin ge mundina railu e s t u hotti ge ide. รถไฟไปปารีสทออเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Paris g e ุรลูเ ย, ลยสตุห์ t กติเกยรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ London g e ุ่นารลูเยสตุห์หกติเกยเดรถไฟไปว อ, อร์ซอออกกี่โมงคะ Warsaw gate เยตุหิเกไรลูารุดุตด รถไฟไปสต็อกโฮมออกกี่โมงคะส ต, คสต็อกโฮมเกย์ยี่สิบหกที่เกย์ไรลูฮรดุตเเด้รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ b ูดาเปสต์เกย์ยสิบหกที่เกย์ไรลูฮรดุตเเด้ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่คะ่ะนั่นเกยมดริดเกย์วันดูติเกตุเบกู ดิฉันต้องการตั๋วไปปราศหนึ่งที่ค่ะนานาเกปราะเกวันดตนะิเกะเบกุดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะนานาเกเบิร์นเกวันดะูติเกะทเบกูรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะไรลูเวียนนาวันนูเยิสตุหติเกตลุพุตเตเด รถไฟถึงมอสโกเมื่อไร่คะไรลูมอสโกวันนู้ยืสตุหดติเกตัลุตเเดรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะไรลูอัมสตอร์ดามันนู้ยืสตุหดติเกตัลพุตเเดดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะนานู้ไรลูกละนูบัดลาไสเบเก รถไฟออกที่ชาญชาลาไหนคะยากว่าแพลตฟอร์มนินดาวไรลูหรดุตเตเดรถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะี่ไรลินลิสลปเปอร์อีเดยดิฉันต้องการตัวไปบรัสเซลลหนึ่งเที่ยวคะ่ะนั่นเก๋ บ, บรัสเซลเกโฮโวกลูมาตรติเกตุเบกู ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะนันเก็บโคเปนเฮเกนเกะฮ وج ิบาร์โลติเกตุเบกุที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะสลีปอร์นัลลีวุนดุมมาลกูวาจักก์เกะเยสตูฮานาเนี๊ดะเบกากุตเตเด